สมมก็เป็นทุกตอ ด, อดวยยอขันอันเป็นที่ตั้งแหความิดหา้าเป็นตุกติสุ ท, ทลายก็ปางเกิดเป็นอย่างไรานัคือการเกิดการกำเนิดการเท่าลงสุขันการบนเกิดการบนเกิดโดยยิ่งเพราะว่าแห่งความปรากฏของจันทลายความมีนวความสิ้นไปสินไป สัตวเห่านั้นเหล่านั้นนี่เราเรียกว่า Absolutely. เปกติที่เป็นไปตางกายการปนปัญญาที่เกิดจากความกระทบทางกายหรือความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดจากความกระทบทางกายใดๆนี้เราเรียกว่าความทุกข์ใจอิสระมายความทุกใจ คนเได้เป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเพื่อกูลหวังความผาสุขหวังความเกษมจากเคื่องถูกรักต่ตอเขากราบคุณบรรดาปิดาที่ต้องชายพี่น้องหญิงมิรมรรงตมมรกันมาประหยัดปิศาลอยู่ตามและที่ไม่ไปร่วมกัน เป็ขนสมเัตินทุกนั้นเป็นอย่างไรเราด้วยความปรานาเกิดขึ้นแต่สัตวผู้มีความเกิดเป็นธรรมดายอย่างนี้ว่าโอ๋นอขอเราทลายไม่พึงเป็นผูน้มีความเกิดธรรมดาและความเกิดไม่พึงมาิ่ราทั้งหายนออย่นี้พราข้ อ, ขอ น, นี้ไม่ใช่สัตวจะบรรลุได้ด้วความปรรถนาไมามีปัญาเชว่าปรารถนาสิ่ง Ini satu perlu kita komplainlah, dan i e u siapa k o m p l a i n g a h sih? จะเกิดย่อมเกิดที่ไหนเมื่อจะเขไปตั้งอยู่ย่อเข้าไปตั้งอยู่ในที่ไหนในสิ่งใดในโลกที่มีภาวะเป็นที่รมีภาวเป็นที่ยินดีปัญหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเม่อะไปตอยู่ย่อมเข้าไปต้งอยู่ในสิ่งนั้นอะไรเามีภาวเป็นที่รักมีภ า, า, า, า, า, าว เพื่อหวนพนเพื่อให้ถึงความดไม่แลจกจบนั้นเป็นอย่างไลาเพื่อวนพา ร, ริเป็นตัวกอบด้วยองแบบประการนี้นี้นองแบบประการคความชอบความชอบว่าจะชอบ อิสตอ์ความบัมบิชชอบหรือสมารสักปะเป็นอย่างไรเล่าด้วอความบัมบิในการออกจากตาความบัมบ uh ิในการไม่ทะยบักความบัมบิในการไม่เย็นเยยนในเราเรียกว่าสมารสักปาดืวยความบัิติชอบอิสตอรวาซาชอบหรือสาวาา จะชอบปีศาจอะไรสมาร์กแมนตหรือแต่งานอบ ชีวะชอบหรือสมาราชีานั้นเป็นอย่างรแล้วก็จะในกรณีนี้หลัการหาเล้ินเะสียสเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลียงชีตที่ชอบนี่เรามีไวสมาราชีวะทีค่ความเป็นชอบหรือสมา สุดร้อความรู้จักหรือสมัยสติปัรัา ฌานมนรับลมแต่จึงเขาถึงฌานที่สองมันเป็นเครื่องปองสายแห่งใจในภายในนำให้สมาธิเป็นตาอันเดกกุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิสัยมีแต่ปิติแระสุขอันเกิดจากสมาธิและปั้งอยู่ในวิหารธรรมกันได้และเพราความที่ปิติจะหายไปเขาเป็นผู้เพ่งเทออยู่ได้มีสติ ข้าเข้าถึงฌานที่สามมันเป็นฌานที่ปราบริสาทั้งหลายเราสันเสริมผู้ได้มรรลุว่าเป็นผู้นิ่งเฉย อ, อยู่ได้มีสติอยู่เป็นปกติสุขแลต้องอยู่ในวิารธมนันได้แถ้าเรีนเกีวับห ล, ะละักสขและหลกทุกเสียได้ก็ความหลัรายไปสมแล้วแตะต้องนัดในการก่อนจย้นเข้าถึงฌานที่สันไม่ทุกและไม่สุข สติอันบริสุดพราะอบุบกขาแะอยู่ปีสุขนาดีเนะ่เราเรียกว่าสัมาสมาธิหรือความตั้งใจมันจนน่นชะอบเดูแลครือบริสัทธ์ดตามเป็นเรื่องให้ถึงความไม่เหลือให้ถูกดังนี้เรื่องทเกิดของอามิชาทีุสลายที่สุดในบ้องต เสียเป็นธรรมชาติอินเดีย ถ้าใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาใหม่ก็เราเป็นอาหารของุจรงาระกคตอบมีว่าการไม่สมรวมอินทรีย์เรากล่าว่าจะม้งงการไม่สมรวมอินทรียก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารถ้าใช่เป็น ใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไห a ก็อะไรเาเป็นราาของความเป็นผู้ไม่มีสติสมหรัญญุญากตอบไปว่าการทำในใจโดยไม่แยกกายหรืออายุวิทรงานุสนิการิสุรายระกาว่าถึงแมการทำในใจโดยไม่ยกกาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาราใช สังมินซีให้บริบุรณ์ารไม่สังเกตุมินซี o <laughs> ใช่รมชาติที่ไม่มีการอะรกเอาไวาหาของวิชาและพิบุตรคำตอบตึงมีาชายจประการถึงชายจประการก็เป็นธรรมชาติไม่มีอรใชธรรมชาติที่ไม่มี ที่ไม่มีอาหารใม่ก็เรืเล่าเป็นอาหของสปีชีส์ประการคำตอบคือมีว่าสุดจระเข้หลายสายพันธุ์ถึงแม้สุดจระเข้หลายสายพันธุ์ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารถ้าใช a เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหาม่ก็เอเล่าเป็นอาหรของสุจระเขหลายาาสายพันธุ์ตอบก็คือการสัมรสมีสี ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารถ้าใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารได้กเรายกเป็นอาหารของการสร้างวิญญาณคำตอบคือความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะถึงแม้ความเป็นผู้มีสติ สโมสรศิการก็เป็นธรรมชาติที่มีอารอาร์ใช่เป็นธรรมชาติ ใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหาไม่ก็อะไรแล้เป็นอาหารของการได้ฟพระรร ม, รรมต้อตอบตุ้ว่าการคบสัพริติสุยด้วยการยาีที่มีการคสบสรบ ค, ปปรคนีเป็นปบบุรแล้วเ ค, ความการัพรให้ระการได้ฟังรม Yes. <laughs> ส e r ร i ตละอายสัปรารั้บริบูรณ์ครั้นริะอายสมันบริบูรนการให้เมื่อสฤษดิ a n รานลายารริงทำโพชฌงค e คืออเลให้ So